สมัจเจริญในพุท ธ, ธานุสติธรรมานุสติแล้วก็สังคานุสติแล้วก็แผ่เมตตาจิตนะให้โดยเบื้องต้นก็ให้เรามีความสุขนะให้สัรพสัตทั้งหลายก็มีความสุขก็เป็นเมตตาทั้งกายกรรมวัจีกรรมแล้วก็นะมนโนกรรมแล้วนกะ็พิจารณาไปประสุดท้ายถึงว่า เรามีกรรมเป็นของของตนกรรมเป็นผู้ให้ผลกรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นผู้ติดตามกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมใดไว้ดีก็ตามโชคก็ตามเราก็จะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปในเรื่องของกรรมนี้ในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็จะตัดเรื่องของกรรมเรียกว่ากรรมวัดวีปากวัดนกกิเลสวัฏในเรื่องของกิเลส กแลกวิบาคือเมื่อเราได้ทํากรรมสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปแล้วก็จะมีวิบากของกรรมปรากฏขึ้นมาเราทํากรรมทางกายมาจาใจที่ดีเป็นฝ่ายกุศลอยู่ในกุศลกรรมบท10ปการเป็นฝ่ายกุศลแล้วก็มีวิบากที่ดีอยู่ในใจ มิบา ก, กรรมที่ดีนี้ก็จะส่งผลใหนะ้เราได้สร้างความดีต่อไปอีกั้งยังเป็นกิเลสอยู่ก็เป็นกิเลสฝ่ายที่ดีฝ่ายขาวแต่ถ้าเกิดว่าเราได้ทำกรรมฝ่ายอกุศลมีการล่วงละเมิดในสิน5้าไปแล้วจนะถึงว่าความเห็นที่เราเห็นผิดมีความโกรธความพยาบาทมุ่งร้ายปองร้าย มุกซัางคนงเขาบอกเป็นของเราอย่างนี้เป็นตน้นก็เราเป็นกรรมฝ่ายอกุศลเมื่อเราทําไปทางกายวาจาหรือทางใจก็จะเกิดวิบากฝ่ายอกุศลขึ้นมาเห็นบางครั้งเราจึงเห็นว่าในปัจจุบันนี้นะเราก็ตั้งใจในการสร้างความดีในการละบาปบปําเพ็ญบุญแต่ทําไมนี มโนกรรมฝ่ายอกุศลมันจะเกิดขึ้นก็ปเป็นเพราะว่ามีวิบากของกรรมนะที่เราทำเอาไว้จากกรรมที่ไม่ดีมีวิบากมันก็ติดตามมามีบากของกรรมไม่ดีนี้ก็เป็นเหตุให้เราได้มีความคิดที่เป็นฝ่ายอกุศลเกิดขึ้นอีกหนึ่ว่าเป็นมโนกรรมฝ่ายอกุศลหรือบางครั้งก็เป็นมโนกรรมฝ่ายกุศล ก็จะเกิดสลับซับซ้อนกันเป็นอยู่ในใจของเราเนี่ยแต่เมื่อก่อนนี้เรายังไม่ได้ปฏิบัติธรรมเราก็มองไม่เห็นและก็รู้สึกว่าในเรื่องของกรรมภายในใจนะี่ก็ยังไม่เด่นชัดเพราะฝ่ายกายฝ่ายวาจานี่มันยังไม่ถูกต้องอยู่มากมายจิตก็ไม่ละเอียดแต่เมื่อเรามาปฏิบัติแล้วตั้งใจจะละความชื่วทาความดีแล้วนี่ จะเห็นเด่นชัดขึ้นมาเลยว่าอากุศลที่มันอยู่ในใจเรารู้แล้วว่าเป็นบาปเป็นอากุศลไม่ต้องอยากไม่ต้องการให้เกิดไม่ต้องการให้คิดเนื้ปรุงแต่งไปแต่ว่าจิตก็เนื้คิดปรุงแต่งไปตามอํานาจของวิบากกรรมที่ได้สร้างเอาไว้ตอนนี้เราจะทําอย่างไรเราเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ไม่สบายก็เป็นทุกข์เพราะไม่อยากให้มี ไม่อยากให้มีจิตชนิดนี้มันเกิดขึ้นอันนี้เป็นความทุกข์ของคนที่ต้องการสร้างคุณงามความดีมันก็เป็นทุกข์ใจครูบาอาจารย์หลงปู่ชาก็เลยสอนว่าถ้าความรู้สึกอย่างนี้มันเกิดขึ้นมาก็ให้ทราบว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์เราก็ทิ้งไปเสียท่านเปรียบเหมือนกับว่าถ้าเป็นอาหารแล้วก็เป็นกระดูกก็ดีเป็นก้างปลาก็ดีเราไม่ต้องการนี่ เราไม่ต้องการเราก็ไม่ต้องรับประทานเราก็ทิ้งไปถ้าเกิดขึ้นมาในจิตใจของนักปฏิบัติแล้วก็รู้จักไว้อย่าไปยึดว่ามันเป็นเราเป็นเขาก็ปล่อยเข้าไปเขาก็เกิดดับเกิดดับไปแต่สติเราก็จะต้องตามทันว่าอันนี้ไม่ใช่เราความคิดนี้ไม่ใช่เราเป็นธรรมอย่างหนึ่งฝ่ายอกุศลเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปฝ่ายกุศลเกิดขึ้นมาเราดีใจก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป ไม่ยึดว่าเป็นเราเป็นเขานี่ในเรื่องของกิเลสกรรมวิบากที่เกิดทางใจเราก็ให้รู้เท่าทันแต่เราอย่าไปมีกิเลสเกิดขึ้นว่าไม่อยากให้มีจิตอกศุศลเกิดขึ้นในจิตเราเลยอันนี้มันเป็นไปไม่ได้เราไปปรารถนาอย่างนี้ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นมันก็เป็นโทษเกิดมาอีกเมื่อความคิดอกศุศลเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ไม่อยากให้เกิดเกิดมาแล้วอยากให้ดับก็เป็นกิเลสอีก ทับถมเป็นกรรมฝ่ายที่เห็นผิดอีกไม่เข้าใจตามความเป็นจริงว่ารูปกดีเสียงกลิ่นโรโพลัมพัดธรรมลมก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอย่างนี้เสมอเพียงแต่ว่าเราก็จะละแล้วเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่ทําตามนะเราก็ตั้งมั่นอยู่ในศีลคือรักษากายวาจาของเราให้ดีคือสร้างกรรมที่ดีนะนะแล้วก็วางอุเบกขาวางเฉยในความคิดของเราที่ดีแล้วก็ไม่ดีนั่น นับเป็นอุเบกขาสัมโพอชงขึ้นมาเราแผ่เมตตาให้ตัวเราเองก็ดีแผ่เมตตาให้กับสัตวสัตว์ทั้งหลายเก็แผ<ม>่จิตใจของเราในเยอเ่อเกล็เราเคยมีความโกรธอยู่แต่เราจะไม่พยาบาทปืรุ ป, ปองร้ายนะใครๆอีกแล้วเออเพราะเราจะตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมนี้แหละนะเมื่อก่อนนี้มีความโกรธกับมีความพยาบาทไปด้วยแต่ตอนนี้เราจะไม่มีละเราตั้งใจจะละออความพยาบาท ความโกรธไม่มีอยู่ก็ตั้งใจจะละ ว, ว่าชีวิตนี้มันก็ไม่แน่นอนความตายจะมาถึงแต่เราเมื่อไหร่นะเราก็ไม่รู้นะเราก็ต้องตั้งใจอย่างนี้เสมอในการปฏิบัติซึ่งวันนี้เราก็ได้มาทําบุญทําทานนะก็เป็นบุญกุศลเมื่อเราเอามาตั้งใจถวายสังฆทานตั้งใจมา่นั่งสมาธิหรือตั้งแต่ใจของเราว่าจะมีศีลนะบางทีการให้ทานนี่แนะ เราจะกล่าวก็ได้ไม่กล่าวก็ได้เราก็ให้แล้วนะเราถวายแล้วนะมาสําเร็จแล้วดีวใจเดีนะ๋ยวมนโนบุพพังเขาา้ามาธรรมามโนเศธเท้ามนโนปยาสิ่งทั้งหลายนี้มีใจทั้งก่อนนะสําเร็จแล้วดีวใจใจ น, นะจ น, น, น, นใจตรงนี้แหละนะจะไปยึดมั่นถือมั่นกับใจตรงนี้นะใจตรงนี้เองที่ป่อยวางกับใจตรงนี้เองถ้ามีสติหรือนวะ่าที่มีปัญญามันเราทําสิ่งใดแล้ว เราก็ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาในใจแล้วนั่นแหะเราก็ถวายแล้วนะในส่วนของใจนะพร้อมแล้วอย่างนี้ก็เรียกว่าบุญกุศลก็เกิดขึ้นกับเรานะเพราะเราทําด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์จริงๆตั้งใจจริงๆในการถวายเมื่อเราถวายสังฆทานนั่แหละเมื่อเรามาถวายแล้วตั้งใจเป็นสังฆทานแล้วถวายผ้าแล้วตัดอะไรไปแล้วนะก็ไม่ใช่ของเราแล้วอย่างนี้ก็เป็นแล้วนะเป็นแล้ว เป็นสังกทานในตัวอันนี้สังกฐานอย่างหนึ่งก็มีรูปแบบในการกล่าวการถวายแต่ในใจของเรานะั้นนะ่ะนะถ้าถวายแล้วนะ่ะเป็นของส่งไปแล้วก็แจกแบ่งกันไปในสุดเราก็รับประทานนะตามที่มีอยู่นั่นแหละอย่างนี้เป็นต้นเนื้อการที่เรามาสร้างบุญสร้างกุศลอย่างนี้ก็จะพัฒนาใจตรงนี้แหละให้มันดีขึ้นไปจนเรารู้จักใจตรงนี้ว่ามันดีขึ้นมากับปีที่แล้วปีนี้ดีขึ้นกับปีที่แล้วแม้ว่าชีวิตนี้ วันคืนนี้มาล่วงไปล่วงไปก็ตามนะพวกเราก็ตั้งกิจตั้งใจที่จะบำเพ็ญภาวนาหรือว่าบำเพ็ญการปฏิบัติในธรรมอยู่เสมอก็ขอให้เจริญในธรรมเท่าการทุกทุกท่านเตือน